รวมศิกขาบทที่มีในปาราชิกกันปาราชิกศิกขาบทที่หนึ่งว่าด้วยการเสพเมถุนธรรมปาราช yani uh, ิกศิกขาบทที่สองว่าด้วยการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ปาราชิกศิกขาบทที่ yeah. 3ว่าด้วยการพรากกายมนุษย์ปาราชิกศิกขาบทที่4ว่าด้วยการกล่าวอวดอุตริมนุสธรรม าราชิกสี่สิขาบทเหล่านี้เป็นมูลแห่งการตัดขาดคือขาดจากความเป็นภิกษุอย่างไม่ต้องสงสัย